ข้าพเจ้ากล่าวอวยต่อท่านว่าขอให้ชัยชนะของขระบิดาผู้ท ل ه มี ا ระคุไม่นได้รมด้รับ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พระองค์สร้างมาอย่างงดงามที่สุดในบรรดาสิ่งถูกสร้างทุกอย่าง <c oughs> คือเราเหน่งงดงามที่สุดแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่าอ่อนแอมากอ่อนแอในที่นี้ก็คือว่าภายหลังจากที่พระองค์สร้างเรามาอย่างสมบูรณ์สร้างเรามาอย่างธรรมชาติที่งดงาม เราก็พร้อมเหลือเกินที่จะเสียผู้เสียคนเหมือนกับที่เขาพูดว่ามนุษย์เราอ่ะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารถ้าเราจะเป็นต้องเลือกทาระหว่างสองอย่างเราจะเลือกสิ่งที่แย่ที่สุดให้กับตัวเองสเสมอธรรมชาติของมนุษย์จะเป็นแบบนั้นเห็นด้วยไหมครับอย่างยกตัวอย่างถ้าเดว่าถึงเวลาตอนได้เวลาขับมาแล้วดีที่สุดคือนอนนอนกับไม่นอนเรามักจะเลือกอะไรครับเลือกไม่นอน หรือเวลาเข้ากลุ่มกันเวลาอยู่ร่วมกวนกันแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะพูดอะไรกันจะพูดเรื่องที่ดีๆพูดภาษาดอกไม้หรือว่าพูดภาษาที่เหม็นหน่อยส่วนใหญ่ก็จะนักพูดอะไรกันครับเหมือนกับการทักทายเรามีการทักทายแบบสลามกับการทักทายแบบสวนสัตว์ปกติถ้าเกิดสนิทกันก็จะทักทายแบบสวนสัตว์มาเต็มๆถูกครับมนุษยเราเป็นแบบนี้จริงๆ เมือนว่าถ้าเราต้องเลือกสมมติเลือกจะไปเยี่ยมแม่หรือเลือกจะไปเที่ยวกับเพื่อนมันก็ต้องเที่ยวกับเพื่อนมานไปธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่าถ้าเราจะจําเป็นต้องเลือกหรือถ้าเราต้องเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยเรามากักจะเลือกสิ่งที่แย่ที่สุดให้กับตัวเองเสมอและสุรท้าในวันนี้ครับที่พวกเราจะพูดคุยกันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับที่พวกเราได้อธิบายให้เราได้เข้าใจในเรื่องนี้ สักครู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเน็ตโอเคอยู่หรือเปล่าตรงไรโอเคอยู่นะผมเขาบอกว่ามีปัญหากันโอเคครับเชิญยายาเดีเลยครับผม وهذا البلد ََ وه الب الأمين <ت ص في ق> لقد خلقنا الإنسان َ ف ِ ي أ َ ح س َ ن تقويم ثم ر َ د َ د ن ا ه ُ أسفل َََ سافلين َ إلا ِ الذين آمنوا وعملوا َِ الصالحات َِّ فلهم ََ أجر غير منون من َ فما َ يكذب َُُِ كبعض ََ الدين อ l l a h min hakim a l l a h i s s a จะแจ้งคุณพระเจ้าการมธอยุก็ต้องขอมาอีกครั้งนะครับที่ว่าเอกสารไม่ทันในส่วนของสระอตีนจะพยายามไปให้ช้าที่สุดแล้วก็พยายามให้ชัดที่สุดถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงไหนก็ให้ถาม สุรตีนเป็นอีกหนึ่งสุราที่ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าพวกเราต้องใช้เวลากันตลอดชีวิตในการที่จะทําความเข้าใจความหมายของสุรตีนซึ่งก็เหมือนกับสุราอื่นๆในอัลกุรอานที่ว่าต่อให้เราคิดว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจแล้วยิ่งเราเจอเหตุการณ์ลหลายๆเหตุการณ์ที่มีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตเราก็ยิ่งพบว่าการอ่านกุรอานมันจะทำให้เราเข้าใจนึกซึ้งขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่ง พูดแบบไม่อายนะครับตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มเข้ามาถึงจุดเพิ่งเริ่มเข้ามาถึงจุดที่ว่า อ, อผมมั่นใจแล้วว่าผมไม่รู้อะไรเลยโดยเฉพาะในเรื่องของกุรลานซึ่งตอนที่ค้นคว้าข้อมูลสุราตีนะครับพูดตรงๆว่าข้อมูลที่แค่รวบรวมมาแบบคร่าวๆอัดแน่นมาประมาณ48หน้าซึ่งปกติผมใช้หน้าหนึ่งในการสอนหนึ่งชั่วโมงซึ่งมันมีมากกว่านั้นอีกจริงๆ เพราะนั้นก็หวังว่าพวกเราใช้พวกเราได้ประโยชน์จากคัมภี์กุราะของพวกมากที่สุดประวาติจะไม่ต้องถึงขั้นผู้รู้ระดับสูงหรือว่าอะไรแต่ขอให้ว่าการอ่านกุระนั้นเป็นประโยชน์ให้กับเราเป็นการรักษาเยียวยาจิตใจให้กับเราเมื่อใดที่เราฟังกุรานแล้วรู้สึกสบายใจนั้นก็เพียงพอแล้วนั่นก็เพียงพอแล้วไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องเข้าใจทุกอย่างต้องรู้เรื่องของนามทุกแบบละเอียดยิบอะไรไม่ต้องอย่างนั้นขอให้เราได้ประโยชน์จากกุรนสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับพิ่ชาวรักครับผม ยังตอนีเรามาดูความหมายครับในสุรัตของในส่วนของสุรัตีนซึ่งผมว่าเป็นสุรัตที่สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ได้ดีที่สุดแล้วก็การใช้คําของข้อรัสซุบฮานุตาลาในสุรหตนี้เป็นการใช้คําที่ละเอียดลึกซึ้งมากละเอียดลึกซึ้งมากมีทั้งหมด8อายะครับสุรัตนี้เป็นสุรที่เก้าสห้าเก้าสิในคำปีกุรานจากทั้งหมด114่งรสุรัตหนึ่งบทครับสุรัตนี้มีทั้งหมด8วรรษ แปดวัดด้วยกันสี่วัแรกจะเกี่ยวกับเรื่องของอสามวัดแรกจะเกี่ยวกับการสาบานพวงละล้อสาบานซึ่งสําหรับพวงละล้อนั้นจะสาบานกับสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์แต่สําหรับมุสลิมเราถ้าเราจะสาบานเราต้องสาบานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นก็คือถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยก็คือฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์หรือขอสาบานต่อพระนามของพระองค์แต่สําหรับพวงละล้อเราใช้ว่าพวกนั้นสาบานด้วยกับพระองค์ไม่จําเป็นต้องใช้ว่าสาบานต่อ จะใช้เป็นสาบานด้วยกับนี่คือความเรียดของภาษาไทยด้วยนะครับผมหลังจากนั้นพวกเราก็จะได้บอกเรารู้ว่าทำไมพวกถึงต้องสาบานกับสมอายะเหล่านั้นมีเนื้อหาอะไรเราจะพูดคุยกันงั้นพร้อมแล้วนะครับยินช่าวล้มาดูความหมายก่อนครับอายะแรกครับพวกผู้ทรงขงทรงผู้ทรงอยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่าวัดตีนิวไซตุลวัดตีนิวซตุลขอสาบานต่อมะเดือ่อและมะกอกขอสาบานต่อมะเดือ่อ และมะกอกซึ่งบอกก่อนนะครับว่าอายันี้อายัเดียวแปลได้เจดแบบแปลได้เจ็แบบซึ่งผมคงจะไม่แปลทั้งหมดเพราะคิดว่าหน้าตอนนี้มันเหมือ น, นกันแต่ละคนนี่คือดูหน้านี้ผมแทบจะเห็นใจแล้วนะครับว่าคงอะไรที่มันหนักมากไม่ได้ผมก็เลยแปลแบบที่ว่านักนวิชาการส่วนใหญ่แปลเลยละกันว่าตถิเวัตเซตูนส่วนใหญ่จะแปลหมายถึงมะเดือกับมะกอกตีนก็คือมะเดือเซตูนก็คือมะกอก อายะที่สองครับพุทธมาร์ได้สาบานสิ่งที่สครับว่าวัตุหรือซีนีนแล้วขอสาบานต่อภูเขาตูตซีนัยตูตซีนใครคุค้นๆบ้างครับภูเขาตูตซีนัคือภูเขาที่นบีมูซาไปรับบุตบัญญัติที่ว่าได้พูดคุยกับพุทเมาร์ที่ท่านได้ฉายาว่ากะรีมรุลละผู้ที่ได้สนทนากับพุทธมาร์ท่านได้ฉายาตอนที่ว่าท่านพาครอบครัวจะเดินทางกลับเข้าไปที่อียิปเพื่อไปทําการด้าว่าให้กับฟาโร ซึ่งพวอลาสก็ได้สั่งใช้ท่านในตอนนั้นครับผมต่อไปครับวะฮะจันบัลดีลอามีนและขอสรรสาบานต่อเมืองนี้ที่ปลอดภัยสาบานด้วยกับเมืองนี้ที่ปลอดภัยเมืองนี้หมายถึงเมืองอะไรครับกาบาไบตุลลอ์กาบาก็คือเป็นแผ่นดินที่พวอลาสบอกเป็นแผ่นดินแห่งความปลอดภัย ว่ามันดาวคาลูกแกแ น, นมีนาใครก็ตามที่เข้าแผ่นดินนี้เขาจะได้รับความปลอดภัยก็คือเป็นคำสั่งจากอาลอสว่าใครก็ตามที่ปกครองกาบาต้องให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่เดินทางมายังบ้านหลักนี้ตอนนี้พวกอลอสได้ทรงสาบานทั้งหมด4อย่างนะครับ2 อ, อย่างคืออาหารการกิน2 อ, อย่างคือสถานที่พวกอลอสสาบานด้วยกับมะเดือ่อสาบานด้วยกับมะกอปสาบานด้วยกับตูตซีนแล้วก็สาบานด้วยกับกาบา สีอย่างฟังดูแล้วทำไมกัน like สีอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูครับแล้วเราก็จะอินชาอัลลอฮ์เราก็รู้สึกถึงความลึกซึ้งของการสาบานของผมเพราะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันหลังจากนั้นครับอินชาอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวต่อในอายะที่4ว่าไงครับแน่นอนขอสะบานแล้วก็ได้ خلق ันในอินซ่านฟีอัพซานตะกวิมแน่นอนขอสาบานแล้วก็ได้ خلق ันในนี่คือลำปะซัม เป็นลามสาบานเป็นคําตอบที่ว่าทำไมถึงสาบาน3าอย่างนี้พวก์ได้ตอบได้กับการสาบานว่าขอสาบานเลยว่าเราได้สร้างมนุษย์มาให้อยู่ในรูปร่างที่งดงามที่สุดที่สุดแล้วถึงแม้ใครจะบน่นเวลาส่องกระจกทําไมตาฉันเป็นอย่างนี้ทำไมมันไปเป็นอย่างนั้นทําไมฉันไม่อย่างนั้นทําไมฉันไม่อย่างนี้ไปดูกับสิ่งที่พงษ์เราะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์นั้นอยู่คนละระดับกับสิ่งถูกสร้างที่เหลือทั้งหมดเลยไปเปรียบกับอะไรที่ใกล้กับมนุษย์ที่สุดก็ลิง คนละระดับกันคนล ะ, ละเลเวลเลยมือก็ไม่เหมือนกันเท้าก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันการใช้งานไม่เหมือนกันต้นไม้ดอกไม้ภูเขาลาําธารทุกสิ่งทุกอย่างครับแน่นอนอัลลอฮ์ย้ําเลยครับว่าเราได้สร้างมนุษย์ให้อยู่ในรูปร่างที่งดงามที่สุดแล้วไปหาเถิดไม่มีครับเหมือนกับเวลาเรนจินจินตนาการถ้าใครดูจะเป็นการ์ตูนเป็นหนังเป็นอะไรก็ตามแต่ที่ว่าเขาพยายามจะจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่เขาไม่เคยเห็นถ้ารูปลักษณ์ที่สวยงามที่สุดเขาต้องอ้างอิง ก, กับมนุษย์ ก็คือต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่ยืนกับสองขาที่ต้องมีแขนหน้าอาจจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรมีอยากนี่นอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถจินตนาการอะไรที่งดงามกว่ามนุษย์ได้อีกแล้วไม่มีใครสามารถจินตนาการสิ่งที่งดงามกว่ามนุษย์ได้นี่คือกิจจากัดแล้วพวกเราก็ได้กล่าวอย่านในกรานว่าเราได้สร้างมนุษย์มาให้อยู่ในรูปด่างที่งดงามที่สุดแล้ว งั้นประเด็นทำไมพรกอเราถึงได้สาบานอย่างนี้ครับพระเราได้พูดต่อมาในอายะต่อมาว่าตุ um as as ้มมารดดลนาหูอัสฟะลาซาฟิลินแล้วเราได้ให้เขากลับไปอยู่ในสภาพที่ต่ําต้อยที่สุดพระงสร้างมาให้สมบูรณ์ที่สุดนะงดงามที่สุดอยู่บนธรรมชาติที่ดีงามที่สุดหลังจากนั้นพระองค์บอกว่าเราได้ทําให้พวกเขาทุกคนรวมพวกเราด้วยไหมครับอาจจะ เรามองโลกในแง่ดีไหมครับ อ, อาจจะอาจจะรดนพวกเราเพราะยักษ์โบราณยังไม่จบและแน่นอนเราได้ทําให้เขากลับไปอยู่ในสภาพที่ต่ําต้อยที่สุดอัยะยาที่หกครับอิลล mm ัลละีน mm ่าอามานูวะามิรุศลิฮะติฟะลุมอัจรลุงไลดุมมณุนเว้นแต่อไม่ใช่ทุกคนนะที่ถูกกลับไปต่ําต้อยที่สุดเว้น mm hmm. แต่ผู้ศรัทธาศรัทธาทเฉยเหลยที่ทําสิ่งที่ดีงามศรัทธา กับการปฏิบัติต้องคู่กันเสมอถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่เรียกว่าเป็นการศรัทธาเว้นแต่ผู้ศรัทธาที่ทําสิ่งที่ดีงามพวกเขาจะได้รับรางวัลที่เหนือนับเหนือขนาดนับได้รับรางวัลอันมากมายแปลว่าถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่ทําสิ่งที่ดีอยู่ในสภาพที่ต่ำต้อยหมดเลยต่อให้เป็นมุสลิมก็ตามถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่ทําสิ่งที่ดีเขาอยู่ในสภาพที่ต่ำต้อยเพราะบอสใด้ทรงกล่าวต่อว่าไงครับ พอมาอยู่กันกดิบูกาบาดูวิทย์ดินแล้วสิ่งใดหลังจากนี้อีกเล่าที่ทําให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นปฏิเสธต่อาการฟื้นคื้นชีพของเราเพราเราได้บอกว่าพงได้สร้างมันได้อย่างงดงามนะให้ไปดูได้เลยสวยงามที่สุดที่มีแล้แล้วก็ทําให้เขาค่อยๆสภาพโซมลงโซมลงโซมลงโซมลงถ้าเขารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเราในการสร้างเมื่อพงสามารถสร้างจากสิ่งที่ไม่มีให้มันมีได้ แล้วก็สร้างสิ่งที่มีให้มันค่อ ย, อยๆอ่อนแอไปได้มันจะยากอะไรในการที่พระองค์จะฟื้นคืนชีพสิ่งนี้ขึ้นมาถูกไหมครับ <c oughs> เพราะว่าสําหรับมุสลิมเราเรามีความเชื่อว่าอันนี้คือความเชื่อของมุสลิมนะครับการมีชีวิตและความตายทั้งผู้เป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์สร้างทั้งสู่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างความตายคือสิ่งที่ถูกสร้างนะ คือไปถามใครก็ได้ครับที่ไม่ใช่มุสลิมไม่มีใครคิดว่าความตายคือสิ่งทถูกสร้างเพราะเขาคิดว่าความตายมันเป็นอะไรที่มันคือจุดจบของอะไรสักอย่างแต่พองค sure ือผู้ที่สร้างความตายใช่ไหมครับอาจารย์ท่านใหญ่เวลาีคาลกลมเตวัลไหยะริยาบลัวคุมไหยยาบคุมอยุคุ้มอัสนุอาไมล่ะพวกคือผู้ที่สร้างชีวิตและความตายอย่างที่เราทราบก็คือชีวะชีวิความตายเป็นสิ่งที่พระองค์สร้างแล้วถึงเวลาพระองค์ก็จะฆ่าความตาย เมื่อไหร่ที่วงจะฆ่าความตายครับบันเกียร์น ะ, อะตอนที่ทุกคนรู้แล้วจะได้เข้าสนจะได้เข้านกกรกปวาร์ลาความตายมาเชื่อที่ดูบอกว่านับจากนี้ความตายจะไม่มีอีกแล้วคนที่เข้าสวรรค์ก็ดีใจไปคนที่ลงนรกก็อย่าอุบิลนละครับ ไ, ไม่มีทางที่เขาจะดีใจหลังจากนั้นครับโพวกทได้พูดในยะสุดท้ายครับว่าอะเลสซาลลูบิอากามิลฮะกิมินได้พูดปิด หลังจากที่พงศ์ได้สาบานต่อสี่อย่างที่เราพูดมาหลังจากที่พงค์ได้บอกว่าพงศ์ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างงดงามแล้วพงศ์ก็ได้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในสภาพที่ต่างต้อยแล้วอะไรล่ะที่ทําให้มนุษย์ไม่ศรัทธาในพระเจ้าแล้วพงศ์ก็ได้พูดในอสุดท้ายว่าอะไรสัลลฮุบิอัลกามินฮากีมินอองเราไม่ใช่ผู้ตัดสินที่ยุติธรรมที่สุดในหมู่ผู้ที่ยุติธรรมการนั้นหรือ ยึดทำสุดๆแล้วสร้างก็สร้างอย่างงดงามสร้างก็สร้างอย่างสวยงามเราให้มีเวลาของมันเพราะโรกนี้คือโลกแห่งการทดสอบทุกอย่างย่อมมีจุดของมันแล้วอะไรที่ทําให้เรายึดติดซีรีะนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นซีรีส์หนึ่งในซีรีสที่ว่าลึกซึ้งมากเดี๋ยวเรามาดูว่าลึกซึ้งตรงไหนไปด้วยกันผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แต่มันก็น่าจะยังไม่ใช่ตามที่คผมจะเป็นแต่ก็หวังว่าเราจะได้ไประโยชน์สุๆสดๆในเชาวันละครับผมแล้วกลับมาดูประเด็นทีละวัค ก, กันเลย ตัง น, นี้ครับเพื่อพูดถึงมะเดื่อกับมะก อ, อกพวกเราคิดถึงอะไรกันบ้างครับผมมะเดือนี่คนไทยไม่คุ้นเลยมะเดือไทยกินไม่อร่อยยิ่งมะเดือป่าที่กินไม่ได้เลยเป็นผลไม้ที่มันไกลตัวเลเ็กเลยมะกอกล่ะครับอ่ะไกล้ตัวขึ้นมานิดนึงอ่าครับน้ำมันมะกร อ, อกน้ำมันที่สีสวยที่สุดในโลกบริสุทธิ์ที่สุดในโลกประโยชน์มากที่สุดในโลก แล้วก็คนใช้กันมากที่สุดในโลกมีท่านหมออยู่ด้วยนะครับเรื่องประโยชน์ของน้ามันมะก อ, อกนี่ไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวถ้าท่านหมออยากจะเสริมก็ยินดีนะครับผมมาจากน้ำมันมะกอกซึ่งเยอะแยะมากมายครับเพื่ออยากจะคุยกันเรามาคุยกันทีละส่วนทีละส่วนประการแรกเรามาดูในสรุรอัตีนวเซจุนก่นสุรานี้ครับในสายรงานในเรื่องของมาบุคหริมมัมุสลิมครับท่นานสหายที่ชื่อท่านบา ร, ระ ท่านเบร์ร์บินอาซิบโรยองลอหูอันฮุมาได้บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ท่านนบีกำลังเดินทางเนี่ยท่านได้นําละหมาดอีชาตอนเดินทางนะครับนำละหมาดอิชาแล้วท่านก็ได้อ่านสุราวตีเนวัตัยตูลหนึ่งในสองรักาพรายงานไม่ได้บอกว่ารักาไหนซึ่งท่านบอกว่าไงครับฟามาเซมิอัตุอะฮัดันอัลสันด์ซาตันมินูฉันไม่เคยได้ยินใครจะอ่านสุรานี้เพาะเท่ากับท่านนบีอีกเลยแปลว่าท่านอ่านอย่างไพเราะเพราะพิงมาก จากฮะดิสนี่เรารู้อะไรบ้างครับเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างเยอะมากเลยฮะดิษแบบนี้ประการแรกก็คือเวลาเดินทางเนี่ยเป็นสุนนะครับที่ว่าอย่างที่เรารู้ก็คือสามารถละหมาดย่อกับละหมาดรวมได้แต่ในหนึ่งของความเมตตาก็คือตามปกติละหมาดอิชาจะเป็นละหมาดที่ท่านรบีจะละหมาดนานอาจจะไม่เท่าละหมาดฟาเชรีละหมาดฟาเชรีลหมัดซุปเนี่ยเป็นละหมาดที่ระบียละหมาดนานที่สุดละเย็นนานที่สุดแต่ละหมาดอิชาปกติก็จะนาน แต่ช่วงเดินทางท่านอบีอ่านสุรวตีนซึ่งพวกเราก็ทราบมีแค่แปะอายะสั้นๆก็มหมายความว่าในช่วงเดินทางเนี่ยพวกเราล้อเมตตาพวกเราแล้วก็ผ่อนผันให้เราสบายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เวลาอา่านก็ไม่ต้องไปอา่าอะไรเยอะไม่ต้องไปถึงขั้นว่าฉันต้องอา่านสองสหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ฉันเป็นฮามิจฉันทำได้ฉันอา่านน้อยเดี๋ยวคนจะด่าว่าอะไรประมาณแบบนี้เกี่ย ว, ยวอ่าเราก็ถือว่าท่านอบีก็เป็นแบบอย่างละเวลาเดินทางก็อ่านอะไรที่มันสบายๆเหมือนกับคนเป็นอิมามครับ ครั้งหนึ่งมีซอบาท่านนำละหมาดแล้วก็อ่านยาวไปหน่อยแล้วก็มีซอบากระื่ไปฟ้องนะบีถ้าผมจะไม่ปิดอะไรไปท่านบูอะไรรอบบนเรา ว, น ว, น ว, น ว, นวน่าลำคือนำละหมาดนานหน้าแล้วก็มีซอบาอีกท่านที่ว่าไปฟ้องนะบีบอกว่าเนี่ยเขายืนละหมาดนานและเกินแล้วคิดว่าท่านนบีจะตนิใครท่านนบีว่าศาสดามตำหนิอิมาลคือไม่ใช่หมายความว่าคนอ่านยาวแล้วต้องเข่งเสมอไป แต่อ่านเร็วนี่คือไม่ดีแน่นอนย้านะอ่านเร็วหนึ่งไม่ดีแน่นอนเพียงแต่ว่าอ่านนานาจินไปไม่ดีท่านอบีมัสยิดตํามหนีแล้วก็บอกว่าทําไมไม่อ่านสุรที่สั้นๆหน่อยแล้วเวลาอิหมามนําละหมานเนี่ยท่านอบีให้อีหมามคํานึงถึงคนที่อ่อนแอที่สุดที่เป็นมะมุนมะมุนที่อ่อนแอที่สุดเนี่ยความสามารถเขาแค่ไหนอ่านเท่าที่เขามีความสามารถที่จะทนได้ค <_ d ata> ือถ้าเขาพยายามยืนแล้วแล้วเรารู้ว่าเขาน่าจะไม่ได้ครึ่งหน้าเนี่ยเขาน่าจะเต็มที่แล้วก็อ่านแค่ครึ่งหน้า พราะท่านอบีถือว่าใครก็ตามที่อ่านนานเกินไปถือว่าเป็นคนที่สร้างฟิตรณะสร้างฟิตรณะก็คือเราเคยสังเกตุไม่บางทีอิห ม, ม่ามอ่านนานเกินแล้วก็ไม่อยากอ่านตามละแล้วก็คิดเลื่อยเปลือยบางทีเราโกรธอิหม่ามิต่างหะกมึอ่านานานจริงทําไมไม่เสร็จทักทีทำไมอะไรเพราะฉะนั้นอิสลามคํานึงถึงทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่ไม่อยากละหมาดอ่ะยีละหมาดนา น, า น, านเนี่ยไม่ใช่เป็นคนอิห ม, ม่ามอ่อนแอนบางทีความสามารถของคนไม่เท่ากันทางนี้อิสลามต้องมีสายการเนาะ ไม่ใช่พอผมพูดอย่างนี้ปุ๊บเอาละตั้งแต่นี้อีคลาสอย่างเดียวคุณทวนลอยเยอะไม่ใช่มันก็มีที่ของมันก็คือซอามอยู่สายกลางเราไม่ขวาสุดโกงแล้วเราก็ไม่ซ้ายสุดโกงก็คืออยู่แบบพอดีถ้าละหมาดคนเดียวอาจเต็มที่ ไ, ไปเลยท่านอ บ, บีละหมาดตอนท่านละหมาดคนเดียวเนี่ยระกาแรกท่านอ่านบากกรอทั้งต้นละหมาดคนเดียวไงคือถ้าเกิดจะโชว์พาวเนะ่ะอยู่คนเดียวโชว์กับ อ, อัลลอฮ์เต็มที่ อยู่กับคนอดี๋ไปโชว์เยอะเดี๋ยวชัยตอนมันจะทํามาให้เราเสียงผู้เสียคนเกลียดใจะจะเสียอ้าวคดีส่วนเดียวเดี๋ยวจะไม่ได้ไปไหนนะครับนั้นอ่ะจริงๆประเด็นมีเยอะกว่า น, นี้ของพอข้ามอีกประเด็นหนึ่งที่ข้ามไม่ได้จริงๆอ่านกุรานพยายามทําให้เสียงดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คนเราไม่เหมือนกันคนไม่มีใครอ่านพ่อเหมือนเดียรทุกคนนะผมคนนึงละอ่านเพราะไม่เท่าหรืออ่านไม่พออะไรก็แล้วแต่แต่หน้าที่ของมุสลิมครับว่าเราสอนใหกุรานว่าอัติลุุรานเนี่ตันตีลวเวลาอ่านกุรานต้องพยายามอ หน้าที่ของเราคืออ่านให้ปราณีที่สุดดีที่สุดต่อให้เราเสียงไม่ดีมันก็ไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการที่เราจะไม่พิถีพิถันในการอ่านคุณอ่านค่อยๆ อ, อ่านอ่านให้ดีที่สุดได้แค่ไหนพวกเราจะไม่บังคับใครเกิดความสามารถแต่ต้องอ่านให้ดีที่สุดคืออย่าไปรีบเร่องอย่าไปใจร้อนอย่าไปแบบละหมาดใช้ลมหายใจเดียวจบฟาติฮะทั้งต้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ไเลยมันไม่มีประโยชน์คือไม่ได้สาระแน่นอนตามความหมายไม่ทันเพราะมันจะหมดหายใจมันจะตายก่อนมันต้อง แล้วก็ไล่ไปให้จบคุรณรักค่อยๆ อ, อ, อ่านปก ต, ติท่านบีอ่านท่านบีจ่าอ่านทีละอายะอายะฮามดุลิลลหฮิร็อบบิลเลลยมีจบแล้วก็ว่าอัลลอฮฺเมื่อเหนือเรแล้วก็ว่าก็คือค่อยๆเป็ียนไปไปเพราะว่าใจเราจะสงบกว่าใจสงบสําคัญนะใจสงบสําคัญเพราะคุณภาพสิ่งที่ทําจะดีขึ้นเป็นด้วยนะครับนี่คือเหตุผลครับเพราะว่ายายะกับประดินถามครั้งที่แล้วว่าทําไมถึงไม่ให้วิ่งไปละหมา อย่างที่เราดูก็คือเวลาจะละหมาดต่อให้หมาดตักบีตแล้วการตักบีตที่ยอมดีที่สุดท่านอบีสั่งให้เราวิ่งไหมไม่ท่านอบีบอกให้ค่อยๆเดินเพราะถ้าเราสังเกตดูเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิ่งเพื่อจะไปละหมาดตอนเราตักบีตเสร็จเป็นไงครับเราเราเรจบแล้วละหมาดนั้นทั้งละหมาดแทบไม่มีคุณภาพแล้วเพราะมันเหนื่อยเพราะนั้นค่อยเปลี่ยนค่อยไปอันไหนที่ไม่ทันโปรโมชั่นก็ละหมาดไหนนั่นแหละเอาครับเวลายิ่งน้อยอยู่นะครับ ขอมาที่ผมพานอกเรื่องไปไกลหน่อยเรามาดูครับในสุระมุมีนูนครับท่านเนื้บาสท่านฮัสซันท่านมูชาฮิตแล้วก็หลายๆท่านนะครับได้บอกในอายะแรกที่ว่าวัดตีนหรือวัดไซตูเนี่ยความหมายคืออะไรอย่างที่ผมบอกมีเจทัศนะแต่อย่างน้อยซอบาบับคันนาวแชกันที่ผมพูดมาเนี่ยเขาบอกว่าตีนก็คือตีนมะเดือก็คือไมะเดือเลยมะกอกก็คือมะกอกที่เรารู้จักกันดีซึ่งมะกอกเนี่ยเป็นผลไม้ที่ถูกกล่าวไว้ในกุรานหลายที่ หลายที่อย่างในส ม, มุนไนครับวัชชะรตันตักรูจูมินตูริไซเนะตามบุตูบิดดุนีวัศิบกินลิลอาคิบินแล้วก็ต้นไม้ที่งอกในภูเขาตูตซีไนซึ่งมันให้ผลผลิตเป็นน้ํามันแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่กินประโยชน์ของประกอบ ก, กับเมือเดือดได้รับการรับรองไม่ใช่จากองค์กรอนามัยโลกหรือว่าใครที่ไหนผู้สร้างเป็นผู้รับรอง เช่นเดียวกับพวกได้รับรองประโยชน์ของน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นใครก็ตามบอกว่ามันไม่ดีจบค้านกับคำพูดของพระเจ้ามันอาจจะมีที่ใช้ของมันอาจจะมีที่ที่ไม่ดีแต่แล้าเกิดใครบอกมันไม่ดีเลยเพราะปัจจุบันมีบางคนพยายามจะบอกว่าอะไรที่หวานไม่ดีสักอย่างน้ำผึ้งก็ไม่ดีมีคนบางคนกําลองพยายามพูดแบบนี้ซึ่งเมื่อล้อ บ, บอกว่าดีก็จบก็แค่นั้นแค่มันมีที่ใช้ของมันแต่อะไรที่เกินพอดีไม่มีอะไรดีสักอย่างทุกอย่างก็ อ, งอยู่ในความพอดีครับ วัตย์ในวัตยตูเนี่ยเมื่อเราพูดถึงคาว่าตีนมะเดื่อดูในประวัติศาสตร์มะเดื่อโผล่ขึ้นครั้งแรกตอนไหนรู้ไหมครับในเหตุการณ์ไหนที่มีการพูดถึงมะเดื่อทางออมไม่มีการระบุเรื่องของมะเดื่อแต่ว่านักทัพซินนักอกธิบายหลายท่านนะครับมองว่าต้นนั้นคือต้นมะเดือ่อครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสุรอาลอฟอายะที่ยี่สิบสองครับ وتفق يقصي ف ا ม ي عليهما موارق الجنة เมื่อทั้งสองต่างพากันเน่นรีบเอาใบไม้ที่อยู่ในสวนมาปกปิดเอาไว้เพศของตนหมายถึงใครครับนาเบีย ด, ดัมกับที่หญิงฮาวา้าว่ากันว่าใบไม้ที่ท่านเอามาปิดปกปิดเอาไวะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนบีาดัมกับที่หญิงเฮาว้าเนี่ยพะอรัสร้างมาให้มีขนปกคลุมที่งดงามเป็นขนงดงามเป็นไงว่าเราว่าคือต่างฝ่ายต่างไม่เคยเห็นเอารัะ ก, กันและกันแต่เมื่อทั้งคู่โดนล่อหลวงให้ไปกินผลไม้ที่พ่อรัศ ห้ามไว้ห้องห้ามไว้ที่ว่าโดนอิบลิสล่อลงไปพอกินเสร็จปุ๊บความสวยงามที่ปกปิดร่างกายเนี่ยล่วงหายหมดเลยพอล่วงหายปุ๊บ ก, ก็โป๊คนเราถ้าเกิดว่าไม่เคยโป๊มาก่อนพอโป๊ปุ๊บใครก็อายสังเกตดูพวกที่ชอบโป๊ปบ่อยๆจะไม่มีความละอายนะคือใครที่ทําอะไรจนเคยชินเนะี่ความลายจะถูกดึงไปจากใจเขาแต่คนที่ไม่เคยเช่นเบียดดําแบบที่อย่าเขาว่าพ อ, อายปุ๊บ ก, ก็เอาใบไม้มาปิดใบไม้ที่เอามาปิดนั้นว่ากันว่าเป็นใบของต้นไม้แดง ต้นใบเดือผลไม้มาสตันซึ่งประโยชน์อะไรบ้างก็มีเวลาก็ไปค้นกันแล้วกันนะครับผมทีนี้ครับเมื่อเรามาพูดถึงไซตูลไซตูลไซตูลในพุทธศสตร์แต่มีกล่าวไว้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ผลประโยชน์ของมันเนี่ยเยอะมากท่านอับดลลมัสฮิสมได้พูดไว้ในพ้อความที่มีดีครับบอกว่ากูลูมีนาเซ วัดเดหนูบิฮีไฟนนาหูมินชาจารตินมูบาโรกะต้นไซตูนพวกล้อกล่าวในกรุณาว่าเป็นต้นไม้แห่งความเจริญคือถ้าเกิดว่าคนไทยใช่ไหมครับเราจะมีความเชื่อปลูกต้นไม้นีตน้ต้นนี้จะมีวาสนานะปลูกต้นนี้จะมีความเจริญ น, นะอันนั้นคิดกันเราเองแต่นี้พวกล้อให้การรับรองเลยว่าต้นไม้ที่มีบารา์รัก้าที่มีความจำเนินคือต้นมะขอน ต้นมะกอกเมื่อก่อนเขาต้นมะกอกมาเป็นไม้แขวกันนะแม่แปลงฟันสมัยนี้ไม่คอยมีน่หาย า, ยากเลยมะกอกไทยมะกอก่างประเทศก็ต่างกันดิแต่ประเด็นครับท่านอบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงกินจากมะกอกนี้แล้วก็จงเอามันมาทําเป็นน้ํามันเพราะมันมาจากต้นไม้ที่มีความจําเป็นมีความเจริญใครเป็นคนรับรองครับท่านอับดุลเบี๊ย์มอมัสละลอฮ์งอะไรที่ว่าแซนดลนดเพราะฉะนั้นะมันมะกอกดีโดยที่ว่าไม่ต้องร้อยใครมาคอนเฟิร์มแต่ตอนนี้การแพทย์ก็ เห็นท้องกันแล้วให้กินเป่าๆให้กินกับสลัดให้กินกับอะไรก็ตามแต่ตอนเช้าตื่นมา ก, ก็ให้ดืก่การใช้สารพัดก็ไปค้นกันดูแล้วกันอาพุทธลัทธพูดถึงตีนวัซเยตูลมืเดือกับมะกออันนี้ผมพูดความหมายข้าวข้าก่อนแะล้วเดี๋ยวมาดูจิตวิ ญ, ญญาณที่อยู่ในอายะแต่ลนะอายะว่าพุทธลัทตักเตือนอะไรเราบ้างลำดับแยกที่สองครับวัตูรีซีนินตุรีซีนินเนี่ยที่บอกก็ถือเป็นภูเขาที่ว่าพุทธลัทธิได้พูดกับท่านอบีมูซาเป็นครั้งแรกตอนที่ท่าน ซึ่งในภูเขานี้ที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับชามภูเขาตุลซินายเนี่ยตั้งอยู่ที่ชามครับซึ่งก็คือเป็นแผ่นดินที่มัสยิดอักซอรอยู่ด้วยเพราะชามนี่กินพื้นที่หมดเลยคอบคลุมอิรักครอบคุมซีเรียครอบคุมประเทสารภาพรวไปถึงปาริสไซด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในกุรอานครับผมเราจะบอกเนีครับ subhanalladzi asra b i a ั d h i l i l i n a l m a i a l ila a m a s i l a a k s a บาโรกนาเฮาและูขอซาดีแดบผู้ที่ได้ทำให้บ่าวของพวก น, นเดินทางยามค่ามผืนจากมัสยิดฮารอมเปียนมัสยิดอัฟซอที่เราได้ให้ความจำเริญในรอบๆ บ, บริเวณนั้นก็คือบริเวณชามทั้งหมดเพว่อเล่าให้มีบารรก้าหมดเลยมีความจำเริญหมดเลยและในความจำเริญ น, นี้ก็มีผลไม้ที่จำเนินอยู่อยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ต่อไปครับมาดูยะางที่สามครับว่าฮาร์เลบลัลลัดอามีนะ น, นี้ก็คือเชนูกาซีสนะครับพูดไว้เลยนะครับว่าไม่มีคีระเลยว่าในที่นี้หมายถึงมักแก๊สอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นสถานที่ที่พลอเลาะรักมากที่สุดแล้วก็มีเกียรติมากที่สุดแล้วก็เป็นสถานที่ที่พลอเลาะสั่งไว้แล้วว่าเป็นแผ่นดินแห่งความปลอดภัยใครที่เป็นเจ้าของต้องให้ความปลอดภัยกับใครก็ตามที่เข้าไปเอาครับทีนี้เรามาดูกันครับสารสี่อย่างนะอะไรบ้างนะครับมะเดือ มะกอจูร์ซีานแล้วก็แผ่นดินฮารอมรู้ไหมครับว่าสี่อย่างนี้เกี่ยวพันกับอุรุลอัสมีทั้งห้าท่านหมดเลยอุรุลัสมีบันดาระซูนสุดยติของกลุ่มระซูนทั้งห้าท่านนาบียิบรอฮีม ข้อความาครับนบีนื้อนบีอิกราฮิมนบีมูซานาบีอีซาแล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่าลอฮ์ฮุอะลัยฮุสัลลัลมล้วนเกี่ยวกับสอย่างนี้ทั้งสิ้นเลยยังไงครับถ้าเรามาดูเริ่มตั้งแต่ตีนกับไซตุลมะกอกกับมะเดือ่อสถานที่ที่ขึ้นมากที่สุดที่ผูกเล่าวในกุรานคือใบตุ่นมักดิสซึ่งอย่างที่พวกเราทราบครับใบตุ่นมักดิสคือแหล่งรวมนบีของบนรดีสอินเกือบทั้งหมดเลย นบีที่เป็นลูกหลานของนบียะคุบอยู่ในเผ่านี้ทั้งหมดเริ่มต้นจากนาบีอิบราฮิมสิ้นสุดที่นบีใครรู้บ้างนาบีอิสมาเป็นบานิยิสลอออีนคนสุดท้ายที่เป็นนบีเพราะฉนั้นในพื้นแผ่นดินนี้ครับเรามีรุ่นลัทมีสองท่านแล้วเนาะสองท่านแล้วก็คือนบีอิบรอฮิมกับท่านนบีอซาที่ว่าเป็นอู่รุลัทธมีส่วนที่เหลือนบีอีกมากมายที่ว่าอยู่ในดินตรงนี้ต่อไปครับตีนกับไซตูนมะกอกกับมะเดื่อเนี่ยก็คือไบตุนมาคดิสซึ่งไบตุนมาคดิสเนย หลักๆเลยเช่นเดียวกันครับในเบตุนมักลิสนี้ก็เป็นถ้าเราพูดว่าเบตุนมักลิสครอบคุมถึงจุดกําเนิดของมัสยิดอักซอเมื่อพูดถึงมัสยิดอักซอก็ย่อมหนี้ไม่พ้นใครครับนาบิบรอหินเช่นเดียวกันก็ครอบคุมทั้งแบนดแผ่นดินชามซึ่งทีนี้ครับถ้าเราพูดเฉพาะตูดซีนินตูดซีนินอยู่ในชาม พูดถึงคาเวอร์ชามเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเลยสลับหรือเปล่าครับผมพูดโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคทุกคนตามทันอยู่นะเราพูดถึงเปรีเอ็กอักษรแล้วนะอักษร น, นี้คือครอบคุมหมดแล้วนะ mm hmm. วัวตุริซีนีตุลิซีนีนอยู่ที่ชามชามซีเรียครอบคุมทั้งหมดก็คือเป็นแหล่งกําเนิดของนบีนื้อเป็นสถานที่ที่นบีนื้อเกิดวัดละ อ, อา้ายลำแล้วก็เป็นสถานที่ที่เรือมาเกยตื่นที่ภูเขาชูได้ซึ่งก็อยู่ที่ชามเส้นเดียวกันก็คือเริ่มต้นที่นบีนื้อ หลังจากนั้นครับก็เช่นเดียวกันครับกับท่านนาบีมูซาตอนรับบัญญัติก็คืออู่ีจุดสีไนแปลว่าอุลุฎมีสี่คนอยู่ในสในองอา ย, ยะแรกแล้วก็อายะที่สามก็คือวะฮัดั้นบาลารินอามีแล้วก็แผ่นดินที่ปลอดภัยนี้ก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลผู้อ่านอะไรที่วะซัลลัมอุลุฎมีเกี่ยวข้องกับทั้งห้าท่านทั้งห้าท่านเกี่ยวพันกับสาม อายาน่นี้แล้วสามอาย่านี้เกี่ยวพันกับพวกเราทุกคนเป็นการเตือนสติจากหัวเราะให้กับพวกเราถ้าเรามาดูครับมะเดือ่อแต่ถ้ารู้จักมะเดื่อนะมะเดือเป็นผลไม้ที่ว่าใช้ประโยชน์ได้หลากหลายผลประโยชน์เยอะมากเลยแต่ว่าคุณลักษณะเด่นของมะเดือคือเสียง่ายพอมันสมบูรณ์ปุ๊บพอมันอยู่ในช่วงที่ยังประโยชน์ให้กับคนมากที่สุด ถ้าไม่เอาไปถนอมอย่างถูกวิธีพร้อมจะเสียทันทีคือเสียเร็วมากเสียเร็วกว่าอุ่นเป็นผลไม้ที่เสียเร็วมากเหมือนกับมนุษย์เราเหมือนกับมนุษย์เราถ้าเราดูนะเราดูถึงวัดตีนที่พระพดในอายะที่หนึ่งขอสาบานกับมะเดือ่อ ถ้าเาดูผลไม้ี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายเริ่มต้นมาดีงามมากมแต่ถ้าปล่อยปุ๊บจะเสียหายเลยซึ่งไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ที่ท่านอบีมสัสละลองอะเลสซัมได้บอกว่ายูเรลีซัสอะลาฟิตร์มนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาโดยธรรมชาติที่งดงามธรรมชาติที่ยอมรับว่าโลกมีผู้สร้างยอมรับว่าพระเจ้าคืออำนาจแต่พ่อเป็นคนที่ทําให้เขาเสียคนแม่คือคนที่ทำให้เขาเสียคนทําให้เขากลายเป็นคนบูชาไปกลายเป็น ค, คนที่ทําให้เป็นสิ่งที่หลุดหลอกไปจากศาสนา เช่นเดียวกับท่านอับดอาดัมครับพ่อร้อนสร้างท่านบีุอาดัมมาอย่างงดงามถูกไหมครับสวยงามงดงามสร้างมาแป๊บเดียวเสียคนเลยโดนอิบเนสโลอิลลวงเร็วไหมครับเร็วเหมือนแมเ่เหลือเหมือนเรามาดูกลุ่มของยิวกลุ่ม อ, อิบเนสโลอิลินตอนที่พ่อร้อนแต่งตั้งเลบีมูซาให้ไปช่วยเหลือ อ, อิบเิสโลอิลนไปช่วยเหลือยิวพอตอนไปช่วยเหลือยิว ยวโดนฟาโรทำล้ายหนกขึ้นยูก็มาด่านบีมูซามูซาเจ้าไม่มาเราก็โดนทำร้ายเจ้ามาเราก็โดนทำล้ายเสียคนเร็วไหมพอพนรบีมูซาพายวลอดพ้นจากฟาโรด้วยความเมตตาของล้อตีทะเลรอดไปปุ๊บพอลอดพ้นไปแล้วสิ่งแรกที่เขาทำคือกรว่ายนุปันหัวเร็วไหมครับเหมือนม่เดือยไหมเหมือนนะ เกิดมาดีได้เลยพร้อมมีอะไรสวยงามพร้อมที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดแต่ก็พร้อมที่จะเสียคนเร็วที่สุดเมื่อกี้ผมพูดแต่ละที่ไกลตัวใช่ไหมครับนบีอาดามไกลตัว่านาบีมูซากับพวกกลุ่มชนยิวนะไกลตัวเรามาดูเรื่องใกล้ตัวที่พวกล้อกล่าวเปรียบเทียบไว้ครับพวเลาอกล่าวไว้ครับถึงพ่อแม่เวลาที่ลูกอยู่ในท้องตอนที่แม่ตั้งครรภ์ขอดรอวตอบนะ หากว่าพงให้ลูกเรามาเป็นเด็กที่ดีเราก็จะเป็นพวงปากที่รู้จักจขอบคุณคุณคุณไหมคุณในกุฎานี้ได้ยินอาตานะเระียนกุฎามิยาซาวิ่งอาจห้มกุฎ า, าอย่างใช้ได้ใช้ได้ใช้ไ ด, ด้จุดไหนเดี๋ยวพิจิตต่อยนะแต่ผลสุดท้ายพอคลอดลูกมาแล้วคิดว่าเป็นไงครับเลยทงหมดคิดถึงอินสตาแกรมคิดถึง Facebook คิดถึงอะไรก็ตามแต่ไปโชว์ไปอวดไปแล้วก็ตามไปขอบคุณหมอไปแล้วก็ตามแต่พวกมันลหายไปแล้ว เหมือนกับคนเวลาเดือดร้อนมากๆเราคิดถึงเราเดือดร้อนมากๆครับละหมา ท, ทุกอย่างที่มีในโลกเราละหมาทหมดเลยเวลาเดือดร้อนมากๆแถมตาฮัดยุติกมีมากกว่าตาฮัดยุตก็จะทําพอปัญหาหายไปปุ๊บพอเรามีความสุขปุ๊บใช้เวลานานไหมครับกว่าเราจะทิ้งละหมาทไมนานบางทีวันเดียวก็ได้แล้วนี่อ่าเล่าให้แล้วฉันไม่มีความทุกข์แล้วแลฉันจะละหมาทําไมไม่มเดือดไหมไม่เดือด เป็นนัวิชาการหลายท่านบอกว่าที่พวกรัาบาลด้วยกับมะเดื่อเนี่ยมันโดนมนุษย์เลยธรรมชาติของเราเราคือมะเดื่อเราพร้อมที่จะดีแต่เวลาดีของเรามันระยะสั้นๆเหมือนกับที่ว่าท่านฮันซอล่าครับตอนที่ว่าท่านร้องขุ่มร้องไห้ท่านเข้าใจว่าท่านเป็นมูนาฟิกแล้วท่านก็ไปคุยกับนบีท่านก็บอกกับนบีว่ายาซูลาะเนี่ยยซูลาะตอนที่เราอยู่กับท่านเนี่ยท่านพูดถึงสวรรค์ท่านพูดถึงนรกเนี่ยเรารู้สึกอหมานเราเพิ่มเลยเกิน แต่พอเราออกจากท่านเรากลับไปบ้านเรากลับไปเจอครอบครัวไปเจอลูกไปเจอธุรกิจอีหมานที่เรามีเหมือนจะหายไปหมดเลยคุณคุณไหมแถบนี้เวลาฟังบรรยายนี่หม่านพุ่งพลานนะกลับไปบ้านแป๊บนึงรู้สึกเหมือนกับไม่เคยมาฟัง บ, บ, บรรยายทำไมถึงหัวราะแหละครับคุณอาที่เขารบอ้าวพวกเราคือมะเดือครับะมะเดือก็มะเดือตรงไหมตรงแต่ไปมะกอกล่ะมะกอกคืออะไรครับ มะกอกคือผลไม้ที่ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยจะถูกใช้ได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อถูกเอาไปขันมะกอก ค, ครับมะกอกกินปรเป๋าอร่อยไหมครับไม่อร่อยประโยชน์สูงสุดของมะกอกจะเกิดขึ้นคือต้องเอาไปขันเป็นน้ํามันเหมือนผู้ศรัทธาไหมเหมือนมนุษย์ไหมประโยชน์สูงสุดของเราจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อเราต้องพยายามในส่วนของเราให้ดีที่สุดคุณค่าความเป็นคนถึงจะเกิด คุณค่าความเป็นคนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราเป็นลูกใครแต่เกิดขึ้นเพราะเราทำอะไรตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นวัตีนิวัตใจตูนเมื่อเรามาดูครับช่างเป็นการสาบานที่มันมันโดนมนุษย์แบบเต็มเตมเลยวัตุริซีนีนถ้าเราพูดถึงทูริซีนีนเป็นจุดเริ่มต้นของการรับวะฮีถูกไหมครับตุริซีนีนจุดเริ่มต้นของการรับวะฮีที่ว่าท่านอบีมูซาไปรับ เมืันแสดงให้เห็นว่าอย่างไงครับในแผ่นดินแห่งนั้นเป็นแผ่นดินที่ว่าพา่อเลอได้ให้เริ่มจุดเริ่มต้นที่ดีแต่คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นจนถึงปัจจุบันไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเลยทําการชีดิคทําสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ทําอาวายัยมุ่งทาอะไรก็ตามแต่แม้แต่ว่ากลุ่มชนของยูวซึ่งว่าเป็นกลุ่มชนแรกที่ได้รับประโยชน์จากตูริซีนางเขาก็กลับทอดทิ้งคำสอนฮอม ว่าฮะดัลเบเลดีอะมินจุดสูนรวมของหัวใจของผู้ศรัทธาเพราะเราให้เกียรติกาบาเป็นสถานที่ที่มุสลิมเราต้องรักมากที่สุดถูกหมครับแต่แล้วก็พบว่าปัจจุบันก็มีกระแสที่พยายามจะสร้างความเกลียดชังแผ่นดินฮารอมพยายามไ้คนรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันมีแต่ความชั่วร้ายมันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีอะไรกว่าตามแต่มีการหย่อนความเกลียดชัง ใครก็ตามเกียรติชานกาบะเขาคนนั้นไม่สมควรจะเรียกตัวเอเป็นมุสลิมอีกแล้วเพราะว่าพระอรหันต์ได้ให้การรับรองแผ่นดินต้องห้ามนี้ด้วยกับการให้เกียรติหลายที่ในเรื่องในกรุรอานเพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้คือแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแผ่นดินที่สะอาดเป็นแผ่นดินที่เป็นสถานที่ที่มุสลิมต้องรักมากที่สุดรักมา ก, กายิ่งกว่าญี่ปุ่นรักมากยิ่งกว่าเกาหลีผมไม่ได้ว่าแผ่นดินอื่นจะไม่ดีนะแต่ถแผ่นดินอรหันต์ให้มีบารัคาหมด ญี่ปุ่นก็มีบารากา้าเกาหลีมีบารากา้าประเทศไทยมีบารากา้ามีความดีมีความเจริญมีความงดงานหมดแต่ถ้าที่หนึ่งในใจมุสลิมต้องเป็นกาบาแปลว่าสถานที่ที่เราอยากเดินทางไปมากที่สุดต้องไม่ใช่ทะเลสา์เดซีต้องไม่ไใช่ไปท่องเที่ยวไปตามรอยดาราเกาหลีไปดูว่าพระเอกมากินกอดนางเอกตรงนี้นะไปทําอะไรตรงนู้นไปทําตรงนี้เราไม่รู้อะไรที่เขาทํากันนะ่ะทัวเที่ยวย้อนรอยดาราที่เขาทํากันนะ อันนี้เป็นการตรวจสอบตัวเองว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแค่ไหนเรารักแผ่นีิไหนแค่ไหนถ้าในใจเราไม่มีความรักต่อแผดินฮารอมเลยอันนี้ต้องตรวจสอบตัวเองนะต่อไปครับพวงละได้กล่าวในย่าวนะยาว่าไงครับเราก็จะคอรักเรีอินทร์แ ล, ลนนนะฟีอันีักวมในที่เนี้ยกิบหนุนอาราบีิบหนุอาราบีครับท่านอธิบายว่าไงครับพวงละล้อนเนี้ยได้สร้างมนุษย์มาด้วยความงดงามที่สุดคือไงครับสร้างมาให้มีชีวิตนะ สร้างมาให้มีความรู้สื่อทอดความรู้กันได้เราพูดกันในอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับอาะาณักสร้างมาให้มีชีวิตนะให้มีความรู้นะให้มีความสามารถนะให้สามารถวางแผนได้นะให้สามารถพูดคุยกันได้สื่อสารกันได้ชัดเจนให้สามารถได้ยินให้สามารถมองเห็นให้สามารถวางระบบให้สามารถที่จะตัดสินเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้อย่างเป็นระบบมากที่สุด ทั้งๆที่อะไรครับอินนากรัลตันอินซานามินุราเนอัมแชตินนบัตติลีฮิฟัจอัลนาฮุซามีอัมบาเซีรเราได้สร้างมนุษย์มาตอนแรกมาจากจุดมาจากอะไรที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วก็สร้างมาให้มองเห็นให้ได้ยินพวกะเราทำให้มนุษย์นั้นมีความสามารถมากที่สุดอยู่บนสูงสุดของหงสซ่อาหารหรือพูดได้เลยว่าเราแทบจะุูดห่งโซ่อาหารเลยเพราะเราทำลายได้ทุกระบบเลยทุกขั้นตอนของหงโหารไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี พวกล้อสร้างมาขนาดนี้ครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพวกล้อก็ให้รู้ว่าพวกล้อก็จะต้องให้เราแก่ชรลานะตอนเด็กก็เดินสี่เท้าพอแข็งแรงมาก็สองเท้าพอแก่ชราก็กลับไปสี่เท้าเหมือนเดิมถ้ามีไม่เท้ากว่า จ, จะสามเท้าถ้ามีไม่เท้าก็ลงค้างก็สีเท้าพวกเราเห็นถึงชีวิตสัตรธรรมเราจะยึดติดอะไรก็ตามนี่คือศัตรธรรมแล้ว ใครก็ตามที่ถึงวัยแก่ชาราซึ่งเป็นอาการที่ไม่มียารักษาคนรักเกลรับรองไว้นะครับเติร์นบีก็บอกไว้ว่าโรคคารอมโรคแก่ชาราเนี่ยหายตายก็ไม่มียารักษาแล้วเราจะรักษาทําไมเพราะโลกนี้ไม่ใช่โลกของเราเราก็อยู่แล้วก็รักษาสุขภาพเท่าที่ทําได้ถึงเวลาก็ชาราก็เตรียมตัวไปซึ่งในที่นี้ครับการที่ว่ากลับไปอยู่ในวัยชาราเนี่ย มีดูอาด้วยนะแต่แล้วท่านคงเห็นคนชารามาเยอะใช่ไหมครับเ ไ, ได้เห็นคนชารลารู้สึกเป็นไงครับบางท่านอาจจะรู้สึกสงสารเอ็นดูไม่อยากเป็นแบบนั้นมีใครบ้างความคิดที่สามไม่อยากเป็นแบบนั้นฉันแก่มาไม่อยากเป็นแบบนั้นบางคนบอกกับผมเลยว่าอยากตายตอนหนุ่มๆืหมเห็นสภาพของบางท่านที่เอามาทดสอบแล้วรู้สึกแย่มากๆเลยท่านอับดุอา์ให้ขอครับผม ไม่ใช่ขอให้ไม่แก่นะถ้าขอให้ไม่แก่นี่แปลว่าขอให้ตายัางแต่หนุนหนแต่เป็นดัวที่ว่าแก่แล้วแต่ว่าเป็นแก่ที่ว่ามันไม่สร้างภาระให้กับผู้อื่นสนใจไหมครับในทิ่มาบุคคลีนะดัวว่าไงครับอัลลอฮุมมาอินนาอูดบิกะมิลลัลอาจซีวลกซ์ซีวลจุบเนวลบุคลีวลฮารามีอาจจะมีสลักกันวลฮารามีวลบุคลีสลักกันได้ว่าอูดบิกะมิลอาจาบิลกอบรีวามินฟินตินมาฮยาวันมามาทีเอาความหมายไปเลยแล้วกันเพราะ ภาษาหลบใครจำได้นิสัย